ที่จะต้องรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องโลกของวัตถุและเรื่องของสากลจักรวาลด้วยนั้นก็คือพุทธพจน์ที่ว่าใกรจักรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้ใครจักรู้แจ้งซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าราเสขาจักรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้ราเซขะจักรรู้แจ้งซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก